นี่วันที่13กันยานะก็เป็นวันครบรอบปีนะที่หลวงประเทียนได้รับสังขารนะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็16ปีล้วหลวงพ่อเทียนรับสังขานที่สำนักทัพมิงขวันนะบึงเลยสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะปี31 พราะฉะนั้นกว่าข่าวจะมาถึงที่นี่สุกโตนี่ก็ประมาณตอนเพลนพอดีนะกลังชั้นเพลของมาที่14ก็มีพระจากที่อื่นมาแจ้งข่าวการมรณภาพของหลวงป่อเทียนสมัยนั้นก็ใช้วิธีส่งข่าวเป็นทอดๆจากวัดนั้นมาวัดนี้จากวัดนี้มาวัดนั้น ก็ไม่ทราบว่ากี่ทอดนะก็จะมาถึงวัดป่าสุกโตหลวงพ่เทียนมีอายุนะรวมทั้งหมดก็เจ็สิบเจ็ดปีอันน้อยก็หลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนก็เจนะ็ดสิบแปดในวันที่มรับภาพก็ใกล้ๆกันนะห่างประมาณสามอาทิตย์พอดีเลย สำหรับพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อเทียนก็ถือว่าเป็นปาจารย์ปาจารย์หรือปารยะปาจารยะแปลว่าอาจารย์ของอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์พรอหลวงพ่อคำเขียนก็เลยรู้ทำจากหลวงพ่อเทียนก็นับถือว่าเป็นอาจารย์จะเรียกว่าอาจารย์คนเดีของท่านเลยก็ว่าได้ หลวงพเทียนเป็นพระที่มีรูปร่างเล็กนะตัวอแบบแบบบางนะตรงข้างหลพ่อกำเขียนท่านมีพื้นฐานนะก็เรียกว่ามีฐานนะมีอาชีพเป็นพ่อค้าที่ค้าขาย แถวเนี่ยฝั่งเชียงคานกันเมืองเลยข้ามไปที่เมืองลาวมีเรือขนสินค้านะขึ้นล่องนะแม่น้าโขงเชียงคานที่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้จักแล้วพากันไปเที่ยวแล้วก็เป็นอ่าบ้านของท่านฐานะท่านก็ดีทีเดียวนะตรงข้าวหรือว่าคำเขียนหรือว่าคำเขียนนี้ ฐานะยากจนนะท่านต้องเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่อายุสิบแปดสิบสองเพราะว่าบิดาะเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอยู่ปอสองปอสามหลวงพ่อมเขียนเป็นทุกชายคนโตก็ต้องเป็นหลังครอบครัวช่วยทำนาช่วยทำไร่ทำสารพัดทำนาตั้งแต่เช้าจดข้ามบางทีไม่ได้นอนก็มีไม่ได้กลับไปบ้านนอน หลวงพ่อเขียนเคยเล่าว่าใครที่มีความทุกข์ยากมาคุยมาบอกมาเล่าให้ท่านฟังนั่นท่านก็บอกว่าอย่ามาแข่งกับท่านเรื่องความทุกข์ความยากเพรท่านทุกข์ยากมามากแต่กับหลวงพ่อเทียนนี้อีกแบบนึงหลวงพ่อเทียนท่านมีฐานะที่ดีเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จเป็นที่นับหน้าถือตาก็เรียกว่ามีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่ท่านก็ไม่ได้พอใจเท่านั้นเพราะท่านรู้ว่าการมีทรัพย์สินเงินทองมันก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขเพราเทียนั่ท่านเป็นผู้แสวงหานะเป็นผู้ที่แสวงหาแล้วก็เป็นผู้ที่ใคร้ครวนท่า น, นที่ท่านเป็นคนที่หนักในเรื่องการทําบุญให้ทานท่านเป็นคนที่ใฝ่ธรรมนะ เรื่องบุญเรื่องกุศลที่ท่านเต็มที่แต่ว่าทำบุญให้ทานแล้วก็ยังมีความทุกข์ถ้าเราวัาจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนอายุ40ตอนนั้นไปเป็นเจ้าภาพท่ากรถิ่นที่เมืองเลยเมืองลาวแล้วท่านก็มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้จ่ายไม่ว่าค่าอาหารค่ามหระศพหมอลำ หลวงพ่อท่านจะไม่ดูแลไม่รับผิดชอบเรื่องเรื่องเรื่องทองแต่ว่าจ ะ, ะทำหน้าที่รับแขก <c oughs> ก็ช่วงที่จัดงานเนี่ยจู่ๆภรรยายก็มาถามท่านว่าค่าหมอลำนี่มันเท่าไหร่ท่านบอกท่านโกรธมากเลยนะรู้สึกมันหนักในใจหนักจนแทบจะลุกไม่ขึ้นเลยมันเสียดแทงเป็นความโกรธนะ เพราะว่ามอบหมายภรรยาให้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วยังต้องมาถามท่านอีกแ้าความโกรธนะั้นก็อยู่ในใจนะแต่ท่านไม่แสดงออกเก็บอารมณ์เก็บอาการไว้ได้จนท้า ง, งานเลิกและงานเสร็จแล้วกินข้าวเย็นนะท่านก็ยังมีความขุ่นเคืองอยู่ก็พูดเปลยๆออกมาให้ภรรยาได้ยินในในวงข้าวเนี่ย คนไม่เคารพนับถือกันมันก็อย่างนี้แหละถ้าพูดอย่างนี้หลายครั้งน้ําเสียงแล้วก็คําพูดก็ทําให้ภรรยาท่ทานเอกใจขึ้นมาแล้วก็เลยถามว่าเนี่ยเป็นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าที่ไปถามเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมหลวว่าเทียนท่านก็ตอบว่าใช่ภนะรรยาท่านก็บอกเนี่ยโอ้ยอย่างนี้อย่างงี้ก็ตกนรกแล้วละ่ะทําบุญ ทอดกฐินไม่ได้บุญหรอกเนี่ยตกนรกแล้วตกนรกในแง่ที่ว่าเนี่ยจิตใจไม่เป็นกุศลนะเป็นคำทักท้วงที่ทำให้ท่านนะได้คิดทีเดียวคนเวลาโกรธเนี่ยโดนภรรยาทักท้วงแบบนี้อาจจะยิ่งโกรธหนักเข้าไปใหญ่หาว่าทําบุญแต่ตกนรกนะแต่ว่าท่านกลับได้คิดขึ้นมาว่าเออใช่นะเราทําบุญมาเยอะแล้ะ ให้ทานมากมาแต่ว่าก็ยังมีความโกรธยังมีความทุกข์อยู่แสดงว่ามันท่านก็เลยหันมาใส่จากเรื่องการทำกรรมฐานไปแสวงหาครูบาอาจารย์โดยเพราะที่เมืองเมืองลาวนี่มีอาจารย์กรรมฐานเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็หนักไปทางด้านสมถะกรรมฐานท่านก็ไม่ไม่พอใจสักที เพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้ท่านพ้นจากความทุกข์ได้สมวัตถีนี้ท่านก็ผ่านมาเยอะนะเรื่องคาถาอาคมเรื่องเวทมนต์คาถาเรื่องไสยศาสตร์นี่ท่านก็ก็มีความรู้นะท่านก็มาเอาดีทางนี้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับท่านเป็นหมอธรรมหรือเป็นอาชีพอย่างหลวงพ่อคําเขียน หลวงพรออมเคีนนี้ท่านเป็นหมอทำเป็นอาชีพเลยนะไล่ผีบําบัดความเจ็บปวดของผู้คนด้วยสายเวทบนคาถาไม่ต้องทำคลอดนะเป็นอาชีพของท่านแต่ไม่ใช่อาชีพเดียวนะท่านก็ทำนาด้วยเป็นช่างด้วยทำหลายอย่างก็อยากจนหลวงพ่อเทียนท่านเป็นขหาบาดีนะท่านก็สนใจเรื่องแบบนี้ตามภาษาคนที่ฝ่ายในพุทธศาสนา ก็คิดว่านั่นเป็นเป็นหนทางหนึ่งเรื่องบุญก็ทำเรื่องคาถาอาคมก็สนใจแต่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางแล้วก็เลยเข้าหาเบนมาสู่กรรมฐานก็ไปหาครูบาอาจารย์คนแล้วคนเล่าก็ไม่พบจนกระทั่งด้านท่านได้คนพบวิธีการของตัวเอง ก็เป็นการค้นคพบในระหว่างการเข้าคอร์สก็ได้นะทัศน์ท ก, กสมัยนี้เรียกว่าเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแต่สมัยนั้นมันไม่มันไม่มีคอร์สปฏิบัติธรรมแต่ก็มีการรวมกลุ่มกันปฏิบัติธรรมกระอาจารย์ซึ่ง่ ซ, งซึงท่านก็สอนในแนวสมถะหลวงพ่อเจียนท่านนอกครูนะท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ครูแนะนําถึงแม้ว่ามันจะมีการเคลื่อนไหว สมัยนะั้นเขการเคลื่อนไหวการปฏิบัติติงนิ่งติงก็คือไหวนิ่งก็คือหยุดนะแต่ท่านก็คิดของท่านขึ้นมาเองเป็นยกมือสร้างจังหวะนี่แหละที่โนนะ้นก็มีนะมันก็มีที่อื่นก็มีนะไอ้ประเภทยกมือแต่ว่าเป็นเน้นหนักทางสมถะนะแล้วก็จังหวะอาจจะไม่ใช่เป็น14จังหวะอย่างที่เราทําแต่ว่าการยกมือเพื่อเป็นอุบายในการทางกรรมฐานนะ ที่เมืองลาวเมืองเลยหรือว่าไปถึงภาคใต้นครศรีธรรมราชวัดเท้าโครดนี่ก็มีการยกมือเหมือนกันนะแต่ว่าทําคนละแบบส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางสมถะนะคือทําให้ช้าแล้วก็เพ่งแต่หลวงพ่อเทียนนี่ท่านเป็นเน้นเรื่องความรู้สึกตัวนะยกมือก็รู้สึกตัวแล้วท่านก็รู้ทำนะจากการที่ใช้การยกมือสร้างจังหวะกละเดินทงกลมด้วยอาศัย การสร้างความรู้สึกตัวและจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนที่ท่านนั่งสร้างจังหวะแล้วก็มีอแมงป่องตกมาที่ขานะปกติแมงป่องตกมาที่ขาท่านก็ปัดนะแต่ว่าคราวนี้ท่านไม่ปัดท่านก็ดูมันมันเป็นแม่ลูกอ่อ น, นก็มีลูกของมันออกมาเดินไต่ตามขาท่านก็เห็นนะว่าไอ้แมงป่องเนี่ยมันก็มีรูกมีนามนะ ก็ทำให้น้องเข้ามาสูรตัวเนี่ยเราก็มีรูปมีนามเป็นรูปเป็นนามพวงนี้ก็เป็นจุดชนวนะจุดประกายทำให้ท่านเกิดความเข้าใจเรื่องรูปนามแลวการรู้ธรรมของท่านก็เรียกว่าเร็วมากนะภายในเวลาสองวันก็รู้ธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตอยู่หลายครั้งสองสาครั้งจนกระทั่งท่านสามารถจะยืนยันว่าท่านหมดทุกข์และไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ครูบาอาจารย์ก็ยังวนเวียนอยู่ในความทุกขนะ์แต่ว่าท่านนะมั่นใจว่าไม่มีความทุกข์แล้วก็เลยนะมาสอนรมสอนคนใกล้ชิดสอนภรรยาสอนญ า, าติพี่น้องมิสหายทั้งที่ยังเป็นค า, ารวะหรือคราหารหัส์นี่แหละอายุก็สนะี่สิบหก็ได้ ก็ได้ผลพอสมควรนะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตกับหลายคนแต่ท่านก็พบว่าสิ่งทีท่านสอนนี่มันหลายคนก็ไม่เข้าใจเลยว่าเพราะว่ามันนอกแบบแผนไม่ตรงนะไม่เหมือนกับที่ใครใครก็สอนกันโดยเพราะการการสอนให้หันกลับมาดูกายดูใจหันกลับมาพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารนะในสุดท่านก็เลยนะคิดว่าก็เลยตัดสินใจบวช ด, ดีกว่านะเพราะบวชนี่พอเป็นพระแล้วเนี่ยคนก็จะฟังมากขึ้นนับถือเป็นครูบาอาจารย์ได้สนิทใจมากขึ้นนะท่านก็บวชนะปี03นะจนมรณภาพปี31หนึ่งก็บวชได้2 8พษา พูดง่ายๆพันสาก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการเจริญสตินะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนได้มากมายถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียงเด่นดังเหมือนครูบาอาจารย์หลายท่า น, นที่เรารู้จักกันดีนะแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้กัน ของผู้คนโดยเฉพาะทางภาคอีสานจริงๆหลวงพ่อเทียนนี่ก็จะเป็นที่รู้จักเฉพาะคนในภาคอีสานนะถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับนิ ม, มนต์จากหลวงพ่อปัญญาให้มาสอนธรรมที่วัดชนนะตอนนั้นวัดชนก็มีการอบรมพระปี18ปีนั้นนี่อาจารย์โกวิทย์ก็มาจำาัญหาที่วัดชนด้วย อัตมาก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับอาจารย์โกวิดตอนนั้นไปกับ2คนนะไปกับรสนารสนาตอนนั้นก็อยู่ปี2ธรรมศาสตร์ตมาอยุดปีหนึ่งก็ไปสนทนาธรรมกับอาจารย์โกวิดพัฒนาจารย์โกวิดนี่เป็นที่มีชื่อเสียงมากในหมู่ปัญญาชนที่สนใจธรรมะเพราะว่าการสอนธรรมะของท่านใช้ภาษาสละสลวยแล้วก็ตรงเข้าหาแก่นธรรมแต่อาจารย์โกวิทนี่หนักทางด้านการเทศนะ ไปจะเรียกว่าสนทนาธรรกับท่านก็ไม่ถูกทั้งชั่วโมงนี้อาจารย์ตูวินี่พูดคนเดียวเลยนะเทศคนเดียวท่านที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านในสมัยนั้นนะคือท่านถ้าไม่ค่อยสนทนากันเท่าไหร่แต่ท่านจะเทศยาวเลยตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าหลวงพ่อเทียนตัวตมาก็ไม่รู้หลวงพ่อเทียนนี่อยู่ที่วัดโชลปทานด้วยเพราะท่านยังไม่ดังแล้วก็ท่านก็ไม่หนักด้านท่านก็ไม่ได้ถนัดด้านการเทศการสอนะ ภาษากลางท่านก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คล่องแคล่วอยู่แล้วแล้วก็โดยพื้นเพลท่านก็เป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าในภาษานั่นแหละนะที่ทําให้หลวอาจารย์โกวิทนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าได้มารู้จักหลวงพ่อเทียนแล้วก็ถึงในปัญญาของท่านที่แรกเนี่ยคนพระพระที่มาปฏิบัติที่วัดสนามไนก็มาเรียนธรรมะ ก, กับอาจารย์โกวิทนะอาจารย์โกวิทท่านก็สอนสอน แต่ตอนหลังพระที่มาเรียนกับอาจารย์กวิทก็ค่อยหายไปทีละรูปสองรูปเพราะว่ามามาฝึกกับหลวงพ่อเทียนแทนนะทำให้อาจารย์กวิทเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วก็มาไปนสนทนาธรรมกับอาจารย์กับหลวงพ่อเทียนก็เกิดความศรัทธาเพราะว่าหลวงพ่อเทียนท่านไม่ไม่ท่านท่านไม่เน้นปริยัติท่านทําให้อาจารย์กวิทได้รู้รว่าปริยัติของท่านนี่มันยังไม่ใช่ สิ่งที่ท่านรู้มาไม่เป็นแค่รู้จำนะรู้ในเรื่องพระไตรปิดกก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันท่นบอกว่าเนี่ยขนาดขนาดประวัติของตัวเองพ่อประวัติของพ่อแม่เรายังไม่รู้เลยยังจำไม่ค่อยได้เลยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปี 2,600 ปีนี่จะแน่ใจได้อย่างไรแต่ว่าให้มาปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวดีกว่า อาจารย์โควิดนี่ท่านเป็นลูกศิษย์คนสําคัญของท่านาระพุทธธาตนะแต่ตอนหลังก็หันมาศรัทธานับถือหลวงพ่อเทียนแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอาจารย์พุทธธาตนะก็จุดนั้นแหละที่ทําให้หลวงพ่อเทียนเริ่มเป็นที่รู้จักนะของคนในเมืองคนกรุงเทพยิ่งตอนหลังท่านมาบุกเบิกที่วัดสนามในนะเมืองนอนท์ก็ทําให้นักศึกษาก็ดีนะ โดยพ่อที่ธรรมศาสตร์อาจารย์สนใจพวกจุนุพูทธมศาก็เริ่มไปปฏิบัติธรรมที่วันสนามไหนซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นสวนเป็นยังเป็นสวนอยู่นะเข้าถึงลำบากลดลาก็ไม่มากทันฑาที่มันก็สมัยนี้ถือว่าใกล้มากแต่สมัยนั้นการคมนาคมก็ไม่ดีนะนักศึกษาธรรมศาสตร์พวกปัญญาชนก็เริ่มเข้ามา ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนก็ทําให้ท่านเป็นทุรุจักกว้างขวางมากขึ้นยิ่งมีการพิมพ์หนังสือของท่านก็ทําให้ท่านเป็นทุรู้จักกว้างออกไปอีกนะหลวงพ่อเทียนท่านอย่างที่บอกว่าท่านเป็นผู้ที่พูดน้อยสอนน้อยนะแต่ก็มีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครนะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการสอนตัวต่อตั ว, ตวอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าท่าน มันแน่หลวงพ่อคำเขียนนะว่าให้รู้จักเห็นทั้งข้างนอกและข้างในหลวงพ่อคำเขียนอยู่ในห้องปิดประตูปิดหน้าต่างหลวงพ่อเทียนก็มาถามว่าทำอะไรสร้างจังหวะครับเห็นข้างนอกข้างในไม่ไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงจะเห็นข้างนอกข้างในก็เปิดประตูครับพอเปิดประตูท่านก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับ นั่นแหละนะให้เห็นข้างนอกข้างในนะผมว่าคําเขียนนั่นก็ทีแรกท่านก็ยังไม่เข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรแต่สุดท้ายนั่นก็เขก็เข้าใจว่าเนี้ว่าหลวงพ่อเทมมาแน่ว่าอย่าไปเพ่งนะเพ่งเข้าในต้องรู้ข้างนอกด้วยท่านก็แนะนําพระที่หนักไปทางสมถะเยอะนะเพราะพาสมัยนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ก็ยังหนักไปทางด้านสมถะอยู่ครวาววะด้วย มีเรื่องเล่าว่าบางทีท่านก็เดินนะเอาผ้าเนี่ยคลุมศีรษะเดินผ่านให้ลูกศิษย์เห็นเอาผ้าคลุมศีรษะนะพงศ์ยินผ้าอ่านน้ําฝนนี่แหละ แ, แล้วก็ดึงผ้าออกเป็นปริศนาที่จริงท่านพยายามสอนนะปนริศนาด้วยปริศนาว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปอยู่กับสมถะเนี่ยอย่าไปอย่าไปเพ่งนะให้ออกมาเห็นข้างนอกนะ เพราะว่าสมถานี่มันก็เป็นความมืดแบบหนึง่งเป็นความมืดสีขาวเหมือนกับผ้าคลุมหัวมันไม่เห็นอะไรนะต้องเปิดนะออกมาอันนี้ก็ทำให้นะนะครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่มาฝึกปฏิบัติกับท่านก็รู้ทำกันนะแต่ต่อหลังท่านก็ม า, ม า, ม, ามาพูดมาสอนมากขึ้นนะโดยพอพอมาวัสนามใน ตั้งแต่ปี 18-19 น้ี่ท่านก็ใช้วิธีการบรรยายมากขึ้นแล้วท่านก็พยายามเรียนรู้นะสมัยที่จะมาไปอยู่วัสนามในท่านก็ก็เป็นหลวงพ่อท่านก็มาให้กรรมฐานท่านก็ให้ให้กรรมฐานง่ายๆสั้นๆ น, นะว่าให้รู้ให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆพูดไม่นานนะพูด แนะนำให้ยกมือสร้างจังหวะพอสร้างจังหวะเป็นแล้วก็พูดนี่แหละทำเล่นๆแต่ทำจริงๆถ้านะท่านก็ให้เราปฏิบัตินะแต่ว่าเช้าเย็นเช้าเย็นท่านก็มาสอนนะท่านก็มาขึ้นเทศเนี่หลังทำวัดเนี่ยแบบนี้ท่านก็เทศครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านรุ่นแรกๆกบอกว่าเนี่ยท่านเทศ ท่านพูดมากขึ้นแต่ก่อนท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แล้วท่านก็เรียนรู้การเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจากถ้าาจาก์พุทธทาสด้วยตอนที่จะมาปฏิบัติกับท่านที่วัสนามในก็กุติโย่เพิงดีกว่านะเป็นเพิงคล้ายๆเพิงลิเกนะเป็นเวทีลิเกคือมีฝาสามฝาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เปิดโล่งไม่มีหน้าต่าง อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหลังกุฏิท่านบ่ายๆนี้ก็จะได้ยินเสียงท่านเปิดเทปอาจารย์พุทธทาสท่านเปิดเทปเทปแทบไปทุกบ่ายเลยเข้าใจว่าท่านคงจะศึกษาวิธีการเทปของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วท่านก็มาปรับใช้เป็นวิธีการของตัวเองตอนที่ท่านมามากรุงเทพนี่ท่านก็ยังเขียนหนังสือไทยไม่เป็นนะ ก็ให้ครูบาอาจารย์สอนเช่นให้ลูกศิษย์น่ะสอนลงเชติหลวงพ่อคำเขียนก็สอนการอ่านการเขียนภาษากลางภาษาไทยให้ท่านแต่ถึงแม้ว่าท่านจะมาเทิดมากขึ้นนะแต่การสอนทำของท่านก็ยังมียังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะโดยผ่าการสอนตัวต่อตั ว, ตวหมอสุวัฒนาสุพรมาจักซึ่งเป็นหมอที่ดูแล ท่านตอนนี้ท่านเป็นมะเร็งท่านเริ่มเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี2425แล้วเป็นมะเร็งที่กระเพาะค่าหนึ่งหมอสุวัฒนาอ๋อหมอวัฒนาก็มาเล่าให้หลวงพ่อเทียนฟังเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยได้ได้พักเครื่องมานหมอวัฒนานี่ท่านเล่นพักเครื่องพักเครื่องเนี่ยอายุตั้ง700ปีนะ หลวงพ่อท่านก็ถามว่ามันทําจากอะไรก็ทําจากดินนะแล้วก็ทําจากสารน้นสารนี้หลวงพ่อเทียนท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้ดินที่ไหนที่ไหนก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันตอนที่สร้างโลกนะดินที่ทําพักเครื่อนเนี่ยก็ไม่ได้เก่าแก่ไปกว่าดินที่เราเหยียบนะก่อนเข้าบ้านเลยพอได้ฟังทีนี้หมอวัฒนาก็สะอึกเลยนะแต่ว่าก็ได้คิดเลยนะว่าเออ เราไปคิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะจจริง700ปีนี้นมันก็ไม่ได้เก่าไปกว่าดินที่เหยียบกันนะทั่วๆไปหมอวัฒนาบาหลังจากนั้นก็ถอดพระเครื่องเลยนะมีบางคนก็มาคุยกับท่านว่าเนี่ยพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีนะทำให้คงกับพัน์นะทำให้เกิดความคงกับพันุ์ชาตรีหลวงพ่อท่านก็ถามว่าคนทำตายหรื อ, อยังตายแล้วครับนะท่านก็เลยพูดนขณะคนทำยังตายเลยนะ ถ้าทำไมถึงคิดว่าไอ้ภาคเครื่องนี่ม่ทําให้ไม่ตายทําให้คงกับพันได้นั่นท่านก็ถอดถอนความงมงายผู้คนแบบเนี้โดยการซักด้วยการด้วยการพูดให้แบบแบบตรงไปถึงหัวใจเลยนะอีกเรื่องหนึ่งคื อ, คอเรื่องเรื่องเรื่องน้ํามนต์น้ําหมากเนี่ยเคยมีคนนิมนต์ให้หลวงพ่อท่านไปทําทน้ํามนต์ แทนที่ท่านจะขอบาทนะแทนที่ท่านจะทําเอาน้ํามนต์ใส่เอาน้ําใส่บาทเพื่อทําน้ํามนต์ท่านให้เจ้าเจ้าบ้านเนี่ยไปหากระมังมาแล้วก็เติมน้ําให้เต็มเลยเสร็จแล้วพอสวดเสร็จท่านก็เอาน้ำในกละมังเนี่ยสาดไปทั่วบ้านเลยไม่ได้พรมน้ํามนต์นั้นจากจากบาท น, นะแต่ว่าเอาน้ําเนี่ยจากกระมังเนี่ยสาดววานักบวชเนี่ยเนี่ยเป็นมงคล น, นะ เป็นมงคลช่วยกันแช่ช่วยกันถูอาจจะเป็นมงคลทําให้บ้านสะอาดส่วนน้ำมนเนี่ยนะบางทีมันมีหญ้ามีมีสารอะไรบางอย่างมีหญ้ามีผักอะไรที่ทําให้คนแพ้ได้เจ็บป่วยได้ถ้าไม่เอาเลยนะเรื่องน้ำมนต์เรื่องไซยาส์เรื่องอ่าสารพระพรหมสารสารต่างๆเนี่ย ท่านไม่เอาเลยก็พยายามถอนให้พยายามลือ้อพยายามถอนให้คนลื้อถอนจากความเชื่อ น, นี้นะคนไม่พอใจก็เยอะนะเพราะการที่ท่านสอนแบบตรงไปตรงมาเนะีเรื่องศัยศาสตร์เรื่องความงมงายเรื่องน้ำมนต์น้ำหมักคนก็ไม่พอใจนะแต่ว่าคนที่นับถือท่านก็เยอะเลยเพราะ ลูกสิทธิ์ที่ลูกศิ์ของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยซึ่งก็เชื่อในเรื่อ ง, องความเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วก็น้อมใจเข้ามาหาหลวงพ่อเทียนไดง่ายแต่ว่าจุดสําคัญของท่านคือการที่สอนคนให้เข้าใจในเรื่องนะเรื่องธรรมะขั้นสูงนะตั้งแต่เรื่องการเห็นรูปนามนะไปไปจนถึงการเห็นอ่าปรมัตา์เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็มีสำเนาของท่านนะ อย่างเช่นรูปโรคน้ำโรคนะรูปธรรมนามธรรมคือพอเห็นรูปนามแล้วก็จะเห็นต่อๆมาเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตานะท่านท่านถนัดแบบนี้นะแทนที่จะบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านใช้คำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นเข้าใจเรื่องวัตถุปรามัตอากานจะเห็นไปอย่างต่อนเนื่อง แต่ว่าท่านก็จะเตือนอยู่เสมอนะไอการเห็นพวกนี้เนี่ยพอเห็นแล้วมันจะเกิดปิติขึ้นมาเกิดจินตายานเกิดวิปัสสนูเป็นกันมากนะท่านคอยทักคอยทวงให้ผ่านให้ทะลุให้ได้ไอเข้ามารู้ซื่อเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านท่านท่านพูดทัานย้ำมาตลอดเพราะว่าพอรู้แล้วมันไม่รู้ซื่อเน่ยมันรู้แล้วก็ไปเป็น พอเกิดยาต่างๆขึ้นมานี่ก็ไปเกิดความสำคัญมาหมาว่าฉันเป็นผู้รู้ก็ทำให้เนินช้านะต้องเห็นอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่เข้าไปเป็นนะรู้ซื่อตอนที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเห็นรูปนามหลังจากที่ปฏิบัติมายี่สิบวันนะท่านก็มีความดีใจนะมาไลาห่หลวงพ่อเทียนฟังหลวงพ่อเทียนก็ ก็พูดในทรรนอมมันก็เบรกเนอะบอกว่าเนี่ยโอ้ยใครไม่เห็นรูปน้ำก็บ้าแล้วคือท่านพูดมันก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องดีใจอะไรมากนะแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไอ้กบเนี่ยมันเห็นกลามันเห็นน้ําในกลาหรือมันเห็นน้าในสาร่มันก็นึกไว้เยอะแล้วจริงๆมันยังมีอะไรที่มันมันมันยังมีแหล่งน้าที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะนะพูดเตือนให้ท่านว่าอย่าเพิ่งพอใจเท่านี้นะมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก อันนี้เป็นวิธีการทักท้วงของท่านที่จะทให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่ไม่ติดนะแต่ว่าเดินหน้าต่อไปนะไม่ติดอยู่ในอารมณ์ไม่ติดอยู่ในผลของการปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครูชั่วยามวิธีที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยนะท่านจะมุ่งไปที่ตัวการตัวปัญญาโดยตรงเลย เป็นวิปัสสนาล้วนๆท่านเห็นว่าคนเนี่ยมักจะติดสมถะติดความสงบมากเพราะท่านเองก็ติดมาแล้วนะเพราะนันกกาบเดี่ยวของท่านนี่นที่ให้เปิดตาที่ให้ยกมือเนี่ยนะก็เพื่อให้ไม่ติดกับความสงบเพราะถ้าหลับตาเมื่อไหรเนี่ยก็จะเพลินกับความสงบได้ง่ายแล้วก็ติดตรงนั้นอ่ะไม่ไปไหนแล้วก็ทําให้บางทีมันไม่ใช่แค่เนิรนชานะแต่มันตันเลย แทนท่านให้เปิดตาคนที่ชอบความสงบก็จะไม่ไม่ไม่ถูกใจนะว่าทำไมให้เปิดตาแถมยกมือเคลื่อนไหวมือไปมาเดินก็เดินเร็วๆนะเร็วๆนะในที่นี้คือว่าไม่ได้เดินเชื่องช้าอันนี้เพราะว่าเพื่อปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเพื่อที่จะได้ไม่ไม่เพื่อให้ผ่านความสงบนะพอจะสงบเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อ น, นั้นเกิดความพอใจไม่เห็นเข้าไปเป็นเลยไม่ได้รู้ซื่อ แต่ขณะที่เดินตรงให้สอนเดินตรงกรมสร้างจาังหวะเนี่ยหลายคนก็ติดสงบนะพอพอมีสติวางความคิดวางอารมณ์ได้รวดเร็วคล่องแคล่วเนี่ยความสงบก็จะเกิดขึ้นนะถ้าความสงบเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปติดตรงนั้นก็เป็นสมถะแต่ว่าสติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสงบนะแต่เพื่อให้เกิดปัญญาด้วยคําว่าสติกับปัญญาจะเป็นของคู่กันนั้นถ้าเกิดติดความสงบเมื่อไหร่นะก็ ก็ไปไม่ไกลหลวงพ่อเทือนท่าน ก, นะก็เน้นตรงนี้มากเราคอยจําจีจำชัยสมัยอยู่กับท่านที่วัดสนามในท่านก็จะมาคอยสอบอารมณ์อยู่ทุกวันนะสอบคําตอบด้วยคําถามเดิมอตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรท่านเพราะว่าพูดตอบคําถามเดิมๆตอบคาถามเดินก็เบื่อเหมือนกันแต่หลวงพ่อเทียไม่เบื่อเลยนะท่า น, นก็มาถามถาม ถ้าไม่ว่างก็ให้อาจาันย์ทองนะมามาสอบอารมณ์สมัยที่หลวงพ่อเทียนนั่นอยู่วัดสนามในนี่สงบมากเลยนะเพราะทุกคนนี่ตั้งใจปฏิบัติใครๆก็กลัวหลวงพ่อเทียนนะทั้งที่ท่านพูดน้อยเสียงเบานะตัวเล็กนะก็ดูไม่ไม่ค่อยน่าเกรงขามนะแต่พอท่านสอนเมื่อไหร่นะท่านเริ่มสอนท่านเริ่มตามจี้นี่ท่านจะมีความสง่ามากดูน่าเกรงขามทีเดียว ลูกศิษย์ก็กลัวทั้งนั้นแหละวัฒนธรรมในตะก่อนก็ไม่ได้มีเนื้อที่มากดังน้นใครที่จะมาเก ก, กะเ ก, กเลหรือว่าเอาแต่นอนนี่ก็อยู่ยากท่านจีมากทั้า น, นที่อายุท่านก็มากนลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ตั้งใจปฏิบัติก็ได้ประสบความก้าวหน้ากันพอสมควรแต่ว่าที่ไม่ได้อะไรเลยก็มีเยอะนะเพราะว่า อาจจะมาปฏิบัติชั่วคราวหรือว่าไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพียงแค่ปฏิบัติเพียงแค่พอให้ท่านเห็นพอท่านไม่อยู่พอหลวงพ่อไปโรงพยาบาลก็อก็อาจจะปล่อยปะละเลยในระยะหลังเนี่ยท่านหันมาเน้นหนักการสอนคารวารนะโดยพระผู้หญิงที่ท่านกับที่ท่านย้ายไปตั้งสํานักทํามิ่งขวัญเนี่ยก็เพื่อให้ผู้หญิงได้ปฏิบัติโดยตรงเลยนะให้ผู้หญิงได้มี ชุมชนตลอดการปฏิบัติเพราะทับนิ่งขวัญไม่ใช่วัดพออยู่วัดแล้วเนี่ยนะก็มีปัญหาญาติโยมนะอาจจะไม่พอใจที่คารพหัดโดยพระผู้หญิงมาปฏิบัติไม่สะดวกนั้นก็เลยย้ายนะจากเดิมที่เคยอยู่วัสนามในอยวัดโมกข์ก็ไปตั้งสำนักที่ทับนิ่งขวัญแล้วก็ให้ญาติโยมโดยพระผู้หญิงได้ปฏิบัติซึ่งลูกศิษย์เหล่านะั้นก็ตั้งใจมากนะแต่ว่า ก็ทำได้ไม่นานนะหลวงพ่อท่านก็รัสังขารปีสามหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าย่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเทียนที่อยากจะพูดถึงเพื่อเราเรารึกในฐานะที่พท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของเรานะเรียกว่าปาจาริยะนะแล้วก็เพื่อได้รู้ว่าเนี่ยที่เราฝึกปฏิบัติมีที่มาอย่างไรนะถ้าได้เราได้รู้จักหลวงพ่อเทียนเอาไว้นะก็จะได้รู้ นะรากเง่ากําพืชหรือว่าต้นฐานของการปฏิบัติอ้าวชานี้ก็พูดกันเท่านี้นะกรับครบ